สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิทธิพิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในพระธรรมหนึ่งพศษัตรบ ท, ที่19กข้อ19บจนถึงข้อ21ครับเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆทีเดียวภายใต้หัวข้อที่ผมอยากจะแบ่งปันก็คือเผาคันไถโปรดฟังพระเจ้ของพระเจ้า1พงพศษัตรบ ท, ที่19บข้อ19เอลียาจึงไปจากที่นั่นพบเอลิชาบุตรชาฟั กำลังไถนาโดยมีวัวเทียมไถ12คู่เขาอยู่ที่ปลายแถวกับวัวคู่ที่สิองเอริยาจึงตรงเข้าไปหาและเหวี่ยงเชือกคุมห่มให้เอลิชาเอลิชาปล่อยวัวไว้ตรงนั้นและวิ่งตามเอริยาแล้วกล่าวว่าขอให้ข้าพเจ้าไปจูบลาบิดามารดาก่อนแล้วจะติดตามท่านไปเอลิยาตอบว่าไปเถิดแต่ อย่าลืมว่าเราได้ทำอะไรแก่เจ้าเอลิชาจึงกลับไปฆ่าวัวเอาเนื้อมาทำอาหารใช้คันไถทำเป็นฟืนและแจ ก, กจ่ายเนื้อให้คนทั้งหลายรับประทานกันจากนั้นเอลิชาก็ติดตามเอลียาไปในฐานะผู้ช่วยของเขาพี่น้องครับหัวข้อในเช้าวันนี้คือเผาคันไถเสียในชีวิตของเรานั้นเมื่อเราจะเป็นผู้รับใช้พระเจ้า พระเจ้าได้เรียกเราออกมาในฐานะเป็นผู้รับใช้พระเจ้านั้นถวายชีวิตให้กับพระเจ้าเราเองจะต้องทำการเผาคันไถพเพียงนั้นครับพระเยซูได้ให้ข้อคิดให้กับเราว่าใครก็ตามที่จับคันไถแล้วหันหลังกลับก็ไม่คู่ควรกับแผ่นดินของพระเจ้านั่นหมายความว่าเมื่อเวลาเราตั้งใจจะทำอะไรสักอย่างแล้วเราจะต้อง ไปให้ถึงที่สุดครับด้วยความมุ่งมั่นด้วยความปรารถนาด้วยความตั้งใจจริงและด้วยเป้าหมายที่ชัดเจนในการรับใช้พระเจ้านั้นจับคันไถเดินหน้าต่อไปไม่หยุดแต่ว่าในวันนี้พระวจนะของพระเจ้าในหนึ่งพงศษบทที่ิบเข้อบได้พูดถึงเอลิชาครับเอลิชานั้นเป็นเดอะเซคันด์แมนก็เป็นผู้ช่วยของเอลิยาเอลยานั้นเขากาลังถ่ายทอดอานาจถ่ายทอดนิมิต ถ่ายทอดชีวิตถ่ายทอดคําสั่งสอนซึ่งเป็นตัวอย่างเราจะเห็นว่าในชีวิตของเอลียาห์ น, นั้นประสบกับหลายสิ่งหลายอย่างผ่านมาอย่างโชคชนเห็นถึงพระคุณของพระเจ้าเห็นถึงฤทธานุภาพของพระเจ้าเห็นฤทธิเดชของพระเจ้าเห็นการช่วยเหลือของพระเจ้าเห็นการรีทรีสที่พระเจ้าจัดเตรียมให้และตัวเองก็ผ่าน depression ก็คือการซึมเศร้ามาแล้วในเวลานี้ท่านกําลัง ถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับเอลีชาเอลีชานั้นมาจากครอบครัวที่ร่ำรวยครับสังเกตเห็นได้ว่าท่านนั้นมีการไถนาต้องใช้วัวเทียมถึง24ตัวด้วยกันก็คือ12คู่ก็แสดงว่าพื้นนั้นคงจะเป็นหินครับแล้วก็มีดินอยู่ไม่มากแต่ว่าก็ยังปลูกพืชปลูกข้าวปลูกอะไรต่างได้เพราะว่าใช้วัวถึง12คู่ครับ ถึงจะสามารถที่จะไถานาได้พี่น้องครับเราจะเห็นนะครับเมื่อเอลิยานั้นตรงเข้าไปหาและเหวี่ยงเสื้อคลุมการเหวี่ยงเสื้อคลุมให้กับเอลิชานั้นก็หมายถึงว่าการมอบอำนาจหรือมอบออเทอร์ริตี้หรือมอบสิทธิให้เขาได้รับสิทธิอำนาจส่งต่อสิทธิานั้นไปถึงเอลิชานั่นคือความหมายของคำว่าเหวี่ยงเสื้อคลุมเมื่อเหวี่ยงเสื้อคลุมแล้วเอลชาก็ละวงเข้าทันทีครับ วิ่งตามเอลิยาแล้วกล่าวว่าขอให้ข้าพเจ้าไปลาคุณพ่อคุณแม่ก่อนพี่น้องครับในพระวจนะของพระเจ้าพระคัมภีร์ใหม่เราจะเห็นว่าการที่ไปลาคุณพ่อคุณแม่นั้นแท้จริงแล้วก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่พระเยซูสอนอยู่เพราะอะไรครับเพราะว่าต้องละบิดามารดาพี่น้องเขาจะเห็นนะครับว่านี่คือพระคุณของพระเจ้าที่มีต่อผู้รับใช้ของพระเจ้าเอลิชาเพราะเอลิยานั้น ยอมให้เอลิชาไปลาบิดามารดาก่อนแล้วเขาจะติดตามเอลียไปเอเลียตอบว่าไปเถอะแต่อย่าลืมว่าเราได้ทําอะไรแก่เจ้าพี่น้องครับวลีนี้ก็มีความหมายมากครับอย่าลืมว่าเราได้ทําอะไรแก่เจ้าชีวิตของเราเช่นเดียวกันครับอย่าลืมว่าพระเจ้าได้ทรงทําอะไรในชีวิตของเราบ้าง พระเจ้าได้ทรงพระคุณมากมายอย่างไรบ้างพระเจ้าได้ทรงช่วยเราอย่างไรบ้างพระเจ้าได้ทรงทําการอัศจรรย์ทรงนําชีวิตของเราอย่างไรบ้างอย่าลืมและเมื่อพระเจ้าเรียกเอลีชาก็ตอบสนองครับฉันใดฉันนั้นครับเมื่อพระเจ้าเรียกเราเราจะต้องรีบตอบสนองการรีบตอบสนองนั้นไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องอักตันยอยู่ต่อคุณพ่อคุณแม่แต่พระเจ้าจะดูแลคุณพ่อคุณแม่ของเราแทน และเจ้าจะดูแลญาติพี่น้องและครอบครัวของเราด้วยพี่น้องครับเอลิชานั้นกลับไปฆ่าวัวเอาเนื้อมาทําอาหารแล้วก็เผาคันไถนะครับเผาคันไถให้เป็นฟืนและแจกจ่ายเนื้อให้คนทั้งหลายรับประทานกันหลังจากนั้นเอลิชาก็ติดตามเอเรยาไปในฐานะผู้ช่วยพี่น้องครับเราจะเห็นนะครับว่าเอลิชานั้นตัดขาดจากอาชีพเดิมทิ้งทรัพย์สมบัติของเขาอย่างสมบูรณ์แบบครับ เห็นได้ชัดว่าเขามาจากครอบครัวที่ร่ำรวยเขากลายเป็นผู้ช่วยผู้ติดตามเป็นสาวกของเอลียาเหมือนกับโยชูวาติดตามโมเสสครับเหมือนกับที่สาวกของพระเยซู12คนติดตามพระเยซูเหมือนกับที่สิลาดไปกับเปาโลและเหมือนกับที่ทีโมธีไปกับเปาโลเช่นเดียวกันพี่น้องครับ สาวกสร้างได้สาวกต้องสร้างไม่ได้เกิดขึ้นเองสาวกสร้างสาวกเราเห็นว่านี่คือสิ่งที่สําคัญที่เราพบในพระวจนะพระเจ้าตอนนี้ชื่อของเอลิชาแปลว่าพระเจ้าของข้าพระเจ้าเป็นความรอดบ้านของเอลิชานั้นก็อยู่ไม่ห่างไกลจากบ้านของเอลียาสักเท่าไหร่นักแต่เมืองนี้ตั้งอยู่ในหุบเขาจอแดนครึ่งทางระหว่างทะเลตายกับทะเลคินเนเรต ในแผ่นดินอิสราเอลทะเลคินเนเร์นั้นก็คือทะเลสาบแกลลรี่ครับคินเนเร์นั้นเป็นชื่อเดิมของกองทะเลสาบแกลลรี่เพราะฉะนั้นบ้านของเอลิชานั้นก็อยู่ไม่ไกลจากบ้านของเอลิยาเอลิชานั้นเป็นคนร่ำรวยมาจากครอบครัวที่มีที่ดินมากครับและนั่นคือการมอบหน้าที่มอบอํานาจของเอลิยาให้กับเอลิชาเอลิยาอนุญาตให้ท่านจัดงานเลี้ยงลาคนในครอบครัว นักวิชาการเขียนว่าเอลีชานั้นประทับตาการตัดสินใจของท่านด้วยการฆ่าโคคู่ที่ท่านใช้ไถนาและเผาคันไถที่เป็นเครื่องมือสําหรับวิชาชีพอาชีพของท่านจัดงานเลี้ยงลาเพื่อนๆและญาติโดยใช้เนื้อจากโคที่ฆ่าเป็นเครื่องบูชาคู่นั้นแล้วติดตามเอลิยาไปทันทีพี่นัองครับชีวิตของเราจะต้องประทับตราการตัดสินใจที่ พระเจ้าทรงเรียกเราด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระเจ้าได้ประทานให้กับชีวิตของเราพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นจะเป็นมัดจำจะเป็นตราประทับในชีวิตของเราในการรับใช้พระเจ้าเราจะต้องฆ่าโคคู่ที่เราไถานาเผาคันไถจัดงานเลี้ยงลาเพื่อนๆโดยใช้เนื้อโคที่ฆ่าพี่น้องครับนั่นคือสั ญ, ญลักษณ์ของการที่ปฏิเสธตัวเอง พระเยซูสอนว่าใครก็ตามที่รักครอบครัวรักทรัพย์สมบัติรับสิ่งที่ตัวเองมีอยู่มากกว่ารักพระองค์ผู้นั้นก็ไม่สมควรไม่ควรคู่กับพระองค์พี่นะครับนั่นคือสิ่งท้าทายและพี่น้องจะเห็นว่าชีวิตของผู้รับใช้หลายหลายท่านครับรับการท้าทายนี้แล้วพระเจ้าก็ประทานให้เขานั้นมีพี่น้องมีพ่อแม่ เป็นสิบเท่าร้อยเท่านั่นคือสิ่งที่พระกัมพีได้สัญญาไว้ผมอยากจะยกพระเจ้าขพระเจ้าเพื่อที่แจงให้พวกเรานั้นมีความมั่นใจครับมัทธิวบทที่10บข้อสาครับมัทธิวบทที่1 0บข้อสาผู้ใดที่รักบิดามารดายิ่งกว่ารักเราก็ไม่สมกับเราและผู้ใดรักบุตรชายหญิงยิ่งกว่ารักเราผู้นั้นก็ไม่สมกับเราเรื่องนี้ เป็นเรื่องของ p r i ORITY ครับการจัดลำดับความสำคัญก่อนหลังการยกมาเป็นอันดับหนึ่งก็คือการรักพระเจ้าอย่างสุดจิตสุดใจสุดกำลังสุดความคิดเราต้องเลือกพระเจ้าให้มาก่อนทุกสิ่งทุกอย่างคนที่เลือกบิดามารดาหรือลูกมาก่อนพระเจ้าก็ไม่เหมาะสมเพราะว่าพระเจ้าเท่านั้นที่จะต้องมาก่อนเสมอกรณีของอับราฮัมที่จะต้องถวายลูกที่ชื่ออิสอักต่อให้พระเจ้าสั่งว่าให้ฆ่าลูกของตัวเองก็ต้องทา แต่ครั้งนั้นพระเจ้ายังไวครับเพราะว่าต้องการทดสอบความเชื่อของอับราฮัมพี่น้องครับเวลาที่เรามีความสุขกายสบายใจเวลาที่มีความทุกข์ยากลําบากเศร้าโศกเสียใจหรืออะไรๆพึงระลึกอยู่เสมอว่าพระเจ้าต้องมาก่อนอามน